วันนี้จะมาแหวกแนวหน่อยแทนที่จะเทศเสียงจะใช้ความเงียบเป็นเสียงเทศแทนนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงนั่งหลับตาแล้วก็ฟังเสียงเงียบๆไปคอยควบคุมความคิดของเราอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับ อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ถูกจเจริญกับเราเช่นจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกก็ได้รู้อยู่ตรงกลางอกก็ได้ให้รู้ว่าลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหรือถ้าจะบริกรรมพุทธโธก็ บริกรรมพุทธโธไปช้าก็ได้เร็วก็ได้ตามแต่ความจําเป็นถ้าใจคิดมากก็อาจจะต้องบริกรรมให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้หยุดความคิดได้ถ้าความคิดไม่มากไปเรื่อยๆก็ได้พุทธโธไปเรื่อยๆสบายสบาย อารมณ์ที่เราใช้นี่เป็นอารมณ์ที่เราต้องเลือกว่ามันอันไหนเราสบายใจใจเราก็ติดอยู่กับอารมณ์นั้นได้ก็ใช้อารมณ์นั้นไปเรานั่งดูสักพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแสดงทำต่ออีกทีหนึง่งพอแสดงมามากมายแล้วไม่เคยได้นั่งสมาธิ ทำใจให้สงบกันไม่ต้องไปเกรงนะทำท่ายทาไม้ทำตัวให้สบายสบายอย่าไปคิดว่าหมอกำลังจะฉีดยาให้เหมือนกันเรานั่งดูภาพยนตร์ภาพยนตร์ที่เราดูก็คือใจดูด้วยสติคืออย่าตามอารมณ์ ที่มาให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้พุโทโธพุธโทโธไปก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสัน้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมจะหยาบก็รู้ว่าลมหยาบลมจะละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียด ให้สักแต่ว่ารู้อย่าไปคิดปรุงแต่งกับเรื่องของลมหรือของเรื่องต่างๆถ้าเราดูลมไปแล้วเราเริ่มคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้สแสดงว่าเราเผลอสติแล้วเราไม่ได้ดูลมแล้วเราปรุงแต่งแล้วถ้าเราปรุงแต่งใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะไม่สงบจะไม่มีความสุข ถ้ใจอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวใจจะค่อยๆสงบเข้าไปเหมือนเราเดินเข้าไปในถ้ำเสีย ง, งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ข้างนอกถ้าก็จะรู้สึกจะห่างไกลออกไปห่างไกลออกไปจนในที่สุดเสียงและเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ภายนอกถ้าก็จะหายไปใจ ที่เราเดินเข้ามาด้วยสติก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนเดินเข้าไปในถ้ำเดินเข้าไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าเปาะอย่าไปเดินกลับมาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็อยากขึ้นไปให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเป็นที่ตั้งของความสงบถ้าจิตอยู่กับปัจจุบัน จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้เวลาก็ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงวันนี้ได้ฟังทำอีกแบบหนึ่งคือฟังเสียงสงบของใจพยายามทำอย่างนี้ไปบ่อยๆมากๆแล้วใจจะมีความสุข ความอยากได้สิ่งต่างๆจะน้อยลงไปแล้วเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องดิ้นรนหาลาบยศสรรเสริญหารูเสียงกลิ่นรสพธภาพชนิดต่างๆที่หาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่เหมือนกับการมานั่งทำใจให้สงบกัน ใจสงบมากๆใจก็ใจอิ่มจะพอมากๆจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ไม่มีเงินทองไม่มีไรายได้มากก็ไม่เป็นไรขอให้มีอาหารมีปัจจัยสีไว้เลี้ยงร่างกายก็พอหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร ก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมร่างกายทั้งวันก็ต้องตายไปแต่เรื่องอดตายจากการปฏิบัตินี่คิดว่าคงไม่มีมีแต่คนจะยินดีสนับสนุนเคยไปอยู่เคยไปนั่งสมาธิที่เกาะอยู่ที่ชายหาดหน้าชายหาดมี มีเป็นที่ของมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเขาเห็นเราไปนั่งเฉยๆตอนเย็นก็สงสารก็ไม่มีอะไรเขาก็เอาข้าวคุกน้ําปลามาให้อาจานหนึ่งเราก็ไม่เลยคิดจะกินเขาเอามาให้ก็จะลองศรัทธาซะหน่อยมันต้องกลัวตายหรอกไม่ต้องกลัวอดเพราะใจอิ่มใจมีอาหารร่างกายมันก่อนจะตายต้องมันต้องอดหลายวัน พระพุทธเจ้า49วันยังไม่ตายเหนั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องร่างกายถ้ามีธรรมมีความสงบแล้วอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ยากดีมีจนอดอยากขาดแคลนไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าใจไม่มีธรรมแล้วต่อให้มีร้อยล้านพันล้านก็วุ่นวายไม่พอใจ มีอะไรก็ไม่พอใจพราะใจมันไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับธรรมะเึงขอให้พวกเรา <c oughs> จงพยายามปฏิบัติกันไปให้มากๆาให้ถือว่านี่แหละคืองานของเราทรัพย์ของเราอาหารของเราที่พึ่งของเรา อยู่ที่การบําเพ็ญอยู่ที่การปฏิบัตินี้ถ้าเราบําเพ็ญไปเรื่อยๆต่อไปมันจะติดเป็นนิสัยไป <c oughs> มันจะไม่อยากจะทําอะไร เ, เ, วเวลาว่างก็จะนั่งสมาธิไม่ต้องไปทําอะไรให้มากมายทําพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอนี่แหละเป็นการไปสู่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปด้วยการบำเพ็ญภาวนาเริ่มต้นที่ส ม, มะถะภาวนาทำใจให้สงบใจสงบแล้วมีความอิ่มมีความพอก็จะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้ต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆได้ถ้าใจไม่มีความสงบนี่สอนเท่าไหร่ก็ใจก็ไม่สู้ เอาความอยากมาก็ยอมแพ้ยกธงขาวแต่ถ้าใจมีความสงบแล้วปัญญาสอนใจว่าอย่าทำตามความอยากเพราะทำแล้วจะต้องเป็นทาตของความอยากความอยากจะคอยมาคอยสั่งอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะเป็นทาตของความอยากก็ต้องต่อสู้ไม่ทำตามคำสั่งของความอยาก พอไม่ทําตามความอยากแล้วความอยากมันก็หมดกําลังไปใจก็สบายเหมือนาหินยกออกจากอกความอยากนี่เป็นเหมือนหินทับอกเราทําให้เราหนักอกหนักใจ <c oughs> ไม่สบายใจพอเราเผินความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้ความอยากมันก็หมดฤทธิ์พอหมดฤทธิ์มันก็เบาทําให้ใจเราเบา ใจเราอิ่มใจเราสบายนี่คือขั้นที่สองหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเราต้องมาสู้กับกามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาเวลามันเกิดขึ้นมาอย่าไปทำตามมันเพราะว่าทำตามมันแล้วมันก็จะต้องทำตามอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบและเวลามไม่ทำตามก็ทำให้ใจเครียดใจทุกข์แต่ยอมทุกข กลับทานไม่ทำตามมันชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมดเล็ดพอมันหมดเล็ดแล้วความทุกข์ความเครียดก็จะหายไปอย่างถาวรเพราะความอยากมันจะไม่กลับมารบกวนใจเราเอีกต่อไปนี่คือคันวิปัสสนาต้องทำเวลาที่ออกจากสมาธิต่อสู้กับความอยากถ้าจะทำอะไรต้องทำด้วยเหตุด้วยผลเช่นถ้าต้องการรับประทานอาหารก็ต้อง ถึงเวลาของการรับประทานอาหารถ้าต้องการดื่มน้ําให้กับร่างกายก็แต่ดื่มน้ํำเปล่าๆไม่ต้องไปหาน้าําชากาแฟน้ําผลไม้น้ําอะไรที่มีรสชาติเพราะนั้นเป็นเป็นการมาตัญหาอยากในรสชาติถ้าอยากในน้ํานี้ไม่เป็นการมาตัญหาเพราะน้ําไม่มีรสไม่มีชาติดื่มน้ําเพื่อร่างกาย ร่างกายต้องมีดินน้ำลมไปหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาลมก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลา <c oughs> น้ำก็เติมไปเรื่อยๆเวลาขาดดินก็คืออาหารก็เติมไปเรื่อยๆถึงเวลาที่ต้องงเติมแต่อย่าไปกินตามความอยากเพราะถ้ากินตามความอยากแล้วมันไม่มีวันจบนะมันก็จะอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาก็จะทำให้ใจเราเออไม่สบายนี่คือการปฏิบัติขอให้ทำให้มากๆถ้าไม่ทำอย่างอื่นเลยได้ยิ่งดีทำแค่สองอย่างนี้สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาออกจากสมถะภาวนาก็เตรียมสอนใจ เตรียมสอนใจเตรียมตัวต่ส อ, ส, อ, ส, อ, ส, อสู้กับความอยากที่จะผล่ขึ้นมาพิใจารณาตายลักก็เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ใจคิดว่าจะให้ความสุขกับใจนั้น <c oughs> เป็นความทุกข์มากกว่าเพราะเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเลือหายไปหมดไปมันก็จะทําให้เสียใจทุกข์ใจแล้วก็ต้องทําให้เกิดความอยากที่จะต้องหาสิ่งใหม่มาทดแทน หามาเท่าไหร่ก็ต้องหมดไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็ไม่สามารถหาได้ร่างกายไม่มีกําลังชลาภาพตอนนั้นจะทำอย่างไรก็ทุกข์อย่างเดียวเอถ้าเราไม่ทําตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดฤทหมดกําลังไปแล้วต่อไปจะไม่มีความอยากมากเป็น ผู้ที่คอยมาสั่งให้เราทำนั่นทำนี่อยู่เฉยๆอย่างมีความสุขจึงขอฝากธรรมะสัน้นๆในวันนี้ให้ท่านได้นำไปพิปจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปขออนุโมทนาให้พร อ, อยากวารรวาหาปุราปาริปุเรนติสักรัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปการปติยุจิตังปัจจิตังตุมหามคือเเมวะสมิจจตุสัพเพปเรินตุสังกปาจันโทปนะระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพหิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโวินัสตุ มาเตผวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีฤิษะนิจังุทธาปจายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังพาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ใครมีปัญหาอยากจะถามก็ถามได้ไม่มีก็ช่วยเลื่อนไปที่พิธีกรครับครับหพ่อครับหรวงว่าครับภาวนาภาวนามาปัญญาเนี่ยคือถ้าสมมติเรามีความทุกข์เกี่ยวกับทุกข์สัตย์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคือถ้าถ้ า, ถ, าถ้าเป็นภาวนาปัญญาปัญญาจริงเนี่ยมันจะต้องเหมือนมีดคมคมใช่ไหมหลวงพ่อตัดทีเดียวแล้วมันจะขาดถ้ามันยังเถือไปเถือมาอยู่มัน มันมันไม่ขาดได้ก็ยังเบิดจินตะอยู่ใช่ไหมครับใช่คือสมมติว่าเราเป็นโรคร้ายหมอบอกว่ารักษาไม่หายเป็นอะไรอย่างนี้เราก็ดูใจเราว่าทุกข์เราไม่ทุกข์ถ้าใจทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ปัญญาก็ต้องพิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันมันต้องตายหรือไม่ต้องตายมันต้องตาย ห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามมันไม่ได้อา น, นิจังก็บอกว่าต้องตายห้ามไม่ได้ก็คืออนัตตาถ้าเราอยากให้มันไม่ตายเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆต้องพิจารณาตรงจุดนี้จนในที่สุดใจเห็นโทษของความอยากไม่ตายว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ทําให้ใจเครียดไปเปล่าๆพอยอมตายครับ ใจก็จะหายจากความทุกข์มันจะเห็นชัดอยู่ภายในใจคือใจมันหยุดกระเพื่อมใช่ไหมว่ามันเย็นเลยมันเย็นมันหายเครียดมันหายกังวลมันหายอะไรไปมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เดือดร้อนไปกับความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไปแล้วก็จะไม่กลับมาเลยไม่ไม่กลับมาเลยถ้ามันต้องเจอความทุกข์จริงๆต้องเจอความตายจริงๆไม่ต้องอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ เป็นไปเจอเหตุการณ์มีโจนเอาปืนมาจอ่อศีรษะล้าก็ยอมตายมึงจะยิงก็ยิงไปไม่เดือดร้อนไปมาเราต้องตายคิดแค่ น, นี้อย่างพระอนนัญญาณกวนทันญาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้ามันไม่ได้ ก็คือว่าจะตัดทีเดียวขาดได้เลยนออะมันต้องเจอของข<า>จริงดดถ้าไม่เจอของจริงมันก็ยังเป็นจินตาเมย์พัญญาอยู่เหมือนทหารซ้อมลุกอยู่อย่างตอนนี้เราคุยกันนี่ก็เป็นเหมือนจินตายอยู<า>ยังไม่เจอของจริงอย่างของจริงวันก่อนแมลงมีตัวเลื่อยคานหล่นลงมาหน่อยมันคนก็สะดุง้งทำท่าจะวิ่งหนีกันนะถ้ามีปัญญาก็เฉยๆครั มันจะเป็นอะไรก็เป็นกัดก็กัดตายก็ตายอย่างนั้นคำถามจากเฟ e บุ o k ค่ะจากผู้ฝากถามข้อแรกมีพระท่านหนึ่งเคยบอกกับหนูว่าหนูจะประสบความสำเร็จเรื่องคู่ครองตอนอายุ4ี่สิบซึ่งหนูกลัวมากเพราะตั้งใจว่าชีวิตนี้จะไม่มีแฟนแต่อินซีหนูยังอ่อนมาก พิจารณาอาสุภะก็ทำไม่ได้เพราะยังไม่มีสมาธิขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาให้คำแนะนำว่าหนูควรจะคิดพิจารณาและปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะสามารถหลีกหนีเรื่องคู่ครองไปได้ค่ะก็ข้อแรกอย่าไปหาหมอดูข้อที่สองก็ฝึกสติไปอั จ, จเจริญพุโทโธพุโทโธไป ให้มีสติแล้วก็จะควบคุมใจควบคุมความคิดได้ใจก็จะสงบแล้วก็สามารถสอนให้ใจพิจารณาอสุภะได้แล้วต่อไปก็จะดับการมาราคาได้พอเราพิจารณาอสุภะได้อย่างชำนาญ น, นึกทีไรอยากจะเห็นอสุภะเมื่อไหร่ก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นทันที เวลาเกิดการมราคาขึ้นมาก็นึกถึงอรสุภาขึ้นมาการมราคาก็จะหายไปงนั้นต้องพยายามหัดฝึกสติอยู่เรื่อยๆอย่าไปสนใจกันเรื่องคำพูดของหมอดูเป็นเรื่องไร้สาระพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องเราเหล่านี้สอนให้เจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วก็จะสามารถสอนให้ใจพิจนาอาสุภะได้เมื่อมีอสุภะอยู่ภายในใจเวลาเกิดการมารมณ์ขึ้นมาก็สามารถใช้อสุภะมาดับได้อย่างทันท่วงทีคำถามต่อมาข้อสองค่ะเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์หลายรูปที่ท่านเล่าถึงพระที่ต้องลาศิกขาเพราะผู้หญิงทั้งทั้งที่พระองค์นั้นก็ภาวนาจนได้สมาธิ และอยู่ใกล้คูบาอาจารย์และอีกเคสหนึ่งคือในประวัติหลวงปูมั่นที่มีพระรูปหนึ่งไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเกิดความชอบและหลวงปูมั่นก็รู้จึงบอกพระองค์นั้นว่าไม่ต้องออกไปบิณฑบาตก็ได้และในภายหลังท่านก็ได้หนีผู้หญิงคนนั้นไปแต่สุดท้ายก็ยังไปเจอกับผู้หญิงคนดังกล่าว ท, ทั้งทั้งที่หนีไปไกล และท่านก็สึกไปจากกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องของกรรมหรือเปล่าคะถ้าท่านตอบว่าเป็นเรื่องของกรรมรบกวนถามท่านตอบว่าแบบนี้เราก็ไม่มีสิทธิจะหนีพ้นนะสิคะมันหนีได้ถ้าเรามีธรรมถ้าเราสร้างธรรมะขึ้นมามันก็หนีได้แต่ถ้าเราไม่สร้างธรรมะขึ้นมามันก็หนีไม่ได้ ฉั้จะว่าเป็นกรรมก็มีส่วนแต่กรรมไม่ใช่เป็นตัวที่จะเป็นตัวกําหนดตายตัวของชะตาชีวิตของเราถ้าเป็นเช่ น, นั้นก็ไม่มีใครจะหลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่าทุกคนก็สร้างกรรมให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดแต่เราสามารถทวนกระแสของกรรมได้ กระแสของก ร, รมก็คือกระแสของกิเลส น, นี่กระแสที่จะสร้างาตัณหาต่างๆขึ้นมากาม m ตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้ามีกระแสธรรมมันก็จะสวนกระแสได้เช่นถ้ามีอสุภะอยู่ภายในใจต่อให้เคยเป็นคู่รักคู่ครองกันมากี่ล้านกี่ล้านชาติก็ตามเนะี่ยพอเห็นอสุภะเท่านั้นนะ่ยมันกระเจิงไปหมดนะี มันไม่อยากจะอยู่ด้วยแนละ้วที่มันไม่เห็นนั้นอย่าไปก้างว่าคำว่ากรรมอย่างเดียวกรรมมันมันก็เป็นเรื่องของกรรมแต่ธรรมก็เป็นเรื่องของธรรมถ้าเรามีธรรมแล้วเราสามารถที่จะอเอาชนะกรรมได้ดูพระองค์กุลิมานขนาดฆ่าคนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนที่ว่ากรรมหนักขนาดไหนก็ยังสามารถที่จะ เอาชนะกรรมนี้ได้เออคือบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่กลับมาเกิดก็จะไม่มีวันที่จะต้องมาถูกเข้าตามค่ายต่อไปอยั้นอย่าไปกังวลเรื่องกรรมเพราะพวกเราทุกคนก็มีกรรมเป็นของของเราอยู่แล้วเออสิ่งที่พวกเราไม่มีกันตอนนี้ก็คือไม่มีธรรมังสรรรรารนังกัจฉามิที่จะมาแก้กรรมนี้เองที่จะมา สู้กับกรรมเลย ว, ว่าที่จะมาะมากําจัดกรรมต่างๆดังนั้นขอให้เราหมั่นพยายามสร้างทำกันขึ้นมาก็แล้วกันมันศึกษามันปฏิบัติทำอยู่เรื่อยๆอศึกษาอย่างเดียวไม่พอศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างวันนี้เลยดอยให้ลองปฏิบัติดูสักครั้งหนึงนานๆสักครั้งส่วนใหญ่มาก็จะได้ศึกษากันแต่ไม่ได้ นั่งปฏิบัติกันเนี่ยเราต้องนั่งปฏิบัติอย่างนี้ให้มากๆทุกๆุกวันถ้าทำได้ทำมาหลายหลายครั้งสลับกับการเดินพอเรานั่งเมื่อยแล้วเราลุก ข, ขึ้นมาเดินต่อเราก็ยังจเจริญสติต่อเราจะใช้พุทโธต่อก็ได้ถ้าใช้ลมก็ให้เปลี่ยนเป็นดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูเท้าแทนลมก็ได้เท้าซ้ายเท้าขวา เดินจนเมื่อยแล้วก็กลับมานั่งใหม่ทามันสองอย่างนี้ให้มันได้สมาธิอย่างชนานาญหรือถ้าเราอยากจะออกไปทางปัญญาก็ได้เวลาออกจากสมาธิแล้วก็พิจารณาสุภาษก็ได้ถ้าเรามีปัญหากับเรื่องการอารมณ์ก็หัดพิจารณาดูอาการ32อของร่างกายดูสภาพของร่างกายเวลาตายไปแล้วเป็นอย่างไร กันลยมันมีศพอยู่สิบชนิดสมัยโบราณสมัยพุทธกาลเขาจะเอาศพไปทิ่งไว้ในป่าช้า้พระก็จะไปดูศพชนิดต่างๆศพเพิ่งตายศพตายสามวันขึ้นเอินศพตายเจ็ดวันเน่าพองมี ม, มีสุนัขมีแรงมีกามากัดมากินศพที่แห้งศพที่เหลือแต่กระดูก นี่คือสภาพของร่างกายที่เราหลงหลาคลั่งไคล้กันเวลาเกิดการอารมณ์แล้วถ้าเราเห็นสภาพของร่างกายในแบบนั้นบ้างมันก็จะทำให้เราคลายจากอารมณ์ได้นี่ก็เรื่องของปัญญาหรือถ้าเรากลัวตายก็ให้พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้หนีไม่พ้นต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีใครยับยั้งมันได้ แต่เราผู้ที่พิจารณานี้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องกลัวกลัวก็ทำอะไรไม่ได้กลัวก็ทุกไปเปล่าๆที่กลัวเพราะอยากจะให้มันอยู่แต่ถ้าเรายอมรับว่ามันอยู่ไม่ได้มันจะต้องตายถ้ายอมรับความจรงิงอันนี้เวลาเจอความตายมันก็จะเฉยมันเฉยมันก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเวลา หลังจากนั้นแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายต่อไปหรือขณะที่เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่กลัวตายเพราะเรารู้ว่าความตายมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้และสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่เราให้เราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่องของการพิจารณาความตายความเจ็บก็อย่างที่เมื่อกี้เรานั่งสมาธิกันเวลาเจ็บเราก็อย่าไปสนใจมันปล่อยมันให้มั น, มนเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหาย แล้วมันจะไม่เจ็บมากถ้าเราอยากให้มันหายแล้วมันจะเจ็บมากที่มันความเจ็บเพิ่มมากขึ้นไม่ได้เจ็บที่ร่างกายหรอกมันเจ็บที่ใจใจเราเจ็บขึ้นมาแทนความเจ็บของร่างกายถ้าใจเราปล่อยให้ความเจ็บของร่างกายเป็นไปตามเรื่องของมันความเจ็บของใจก็จะไม่เกิดก็จะรู้สึกสบายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายนี่คือสิ่งที่เราควรจะ พิจนามปฏิบัติอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งใจสามารถปล่อยวางความตายได้ปล่อยวางความเจ็บได้ปล่อยวางการอารมณ์ได้ถ้าเราปล่อยสามตัวนี้ได้เรื่องของร่างกายก็หมดปัญหาไปข้อต่อมาค่ะพระหรือชีที่สึกไปเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติจนถึงขั้นอุเบกขาเขาถึงเลือกที่จะไปะอยู่แบบโลกทั้งทั้งที่ ความสุขแบบอุเบกขาเป็นความสุขกว่าสุขใดในโลกดังที่ครูบาอาจารย์บอกใช่หรือไม่คะความสุขของสมาธิมันเป็นความสุขที่เลิศโลกแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวมันสุขในขณะที่อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาถ้าไม่มีปัญญาคอยรักษาความสุขอ น, นี้ก็พอเห็นอะไรน่ารักก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาแล้วความสุขนั่นก็จะหายไป แสิ่งนี้มาแทนที่ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากความหงุดหงิดลำคาญใจก็จะเกิดตามมาจึงต้องใช้ปัญญาหลังจากออกสมาธิมาแล้วต้องฝึกใช้ปัญญามาแก้ปัญหาพวกที่เสพไปพวกนักบวชที่เสกไปนี่ส่วนใหญ่ก็ได้แก่สมาธิหรือไม่ได้เลยก็ไม่รู้แต่แน่นอนคือจะไม่เจริญปัญญาแน่นอนจะไม่ได้มี ไม่ได้พิจารณาสุภะอาจจะเป็นเพราะว่ากิเลสแรงไม่ยอมให้พิจารณาหรืออาจจะคิดว่าไม่สาคัญไม่จำเป็นต้องพิจารณานี่ก็คือความประมาทพระพุทธเจ้าสอนภาพบวชใหม่เลยให้พิจารณาสุภะตั้งแต่วันบวชเลยให้ศึกษาเกสาโลมานค า, าดัานตาตาโจให้พิจารณ า, าการห้ า, าการของร่างกายก่อน แล้วต่อไปก็ขยายเป็นสามสบสองไปดังนั้นถ้าผู้ที่บำเพ็ญได้อุบเบกขาจากสมาธินี้ก็จะได้เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาพอไปเจอเหตุการณ์ต่างๆก็จะถูกเหตุการณ์นั้นทำลายอุบเบกขาจนหายไปหมดก็คือเวลาเห็นอะไรน่ารักก็เกิดความโลภความอยากได้ เห็นอะไรไม่ชอบก็เกิดโทสะเกิดอะไรขึ้นมาดังนั้นผู้ที่จะใช้ที่จะรักษ า, าุเบญขาที่ได้จากสมาธินี้จึงต้องรู้จักใช้ปัญญาสร้างปัญญาขึ้นมาหรือถ้าอย่างน้อยถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องมีสติคอยดึงใจกลับเข้ามาอย่าไปตามเรื่องราวต่างๆออกมาต้องถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็พุโทโธต่อไป ดูร่างกายต่อไปมีสติอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่สนใจใครจะทําอะไรใครจะพูดอะไรใครจะหน้าตาดีหรือไม่ดีอไงไม่สนใจสนใจอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราหรือว่าสนใจอยู่กับการพุโทโธพุโทโธไปอย่างนี้มันก็จะไม่ถูกการอารมณ์ถูกกิเลสตัณหาดึงไปถ้ามีปัญญาก็พิจารณาไป พิจารณาว่าเขาก็เป็นอย่างนี้มีอาการสาสองเหมือนกับเรามีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราเวลาตายร่างกายก็ไม่น่าดูน่ะเขาต่อมาค่ะหากพระหรือชีที่อยู่ในความดูแลของครูบาอาจารย์คนไหนเริ่มมีปัญหาเรื่องกรมะราคะครูบาอาจารย์จะตัดปัญหา แล้วมีวิธีการสอนให้เขาอยู่ในทางไหมคะก็ปกติกูบาจาเวลาสอนนักบวชก็จะสอนให้พิจารณาสุภาษะเป็นหลักอยู่เสมอหลังจากได้สมาธิออกจากสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาสุภาษะวิการสอนกับการทำตามคำสอนนี่มันคนละเรื่องกันคนสอนสอนได้แต่คนทำจะทำไม่ทำนี่ก็เหมือนแม่พ่อแม่สอนลูกสอนให้ทาการบ้านลูกก็ไปเล่นเกม กก็แบบเดียวันต่อมาค่ะคำถามจากคุณนิสากรค่ะญาติๆบอกมาว่าพ่อแม่โดนคนทำของใสประเภทคุณใสค่ะคืะคอโดนส่วนตัวก็โดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จึงขอรบกวนอาจารย์ช่วยตอบเรื่องนี้หน่อยค่ะคือไม่ทราบว่าจริงหรือไม่คะถ้าจริงแล้วต้องทำอย่างไรคะถ้าจริงพวกทำคุณใสมันก็เป็นเจ้าโลกไปแล้ว มันอยากจะทํากครมันก็ทําได้คําถามจากผู้ฝากถามค่ะตามที่พระอาจารย์เคยสอนให้นอน4ี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงพอสําหรับการภาวนาถ้าผมนอนสองทุ่มแล้วตื่นตอนตีหนึ่งได้ไหมครับแต่เนื่องจากเคยได้ยินว่าควรจะนอนสี่ทุ่มแล้วตื่นตีสองดังนั้นผมควรจะปรับตัวอย่างไรครับคือเวลาจะนอนกี่ กี่โมงก็ได้ตามแต่สะดวกคือภาวะชีวิตของเราอาจจะวางตอนนั้นก็นอนไปที่กำหนด4หรือห้าชั่วโมงนี้ก็เพื่อให้รู้จักมาตรฐานของการหลับนอนสำหรับผู้บำเพ็ญว่าแค่นี้ก็พอพระพุทธเจ้าก็ส่งวางมาตรฐานไว้ว่าให้เดินจงกรมบำเพ็ญละช่วง6โมงถึงสี่ทุ่ม หลังจากสี่ทุ่มก็ให้พักถึงสองตีสองตีสองื่นขึ้นมาก็ให้บำเพ็ญต่อถึงสว่างหกโมงก็ออกบินทบาทแต่บางท่านก็เปลี่ยนได้บางท่านก็นอนห้าทุ่มแล้วก็ตื่นตีสามแทนก็มีอันนี้แล้วแต่เราปรับได้แต่ความสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าอย่าเ น, นินอย่านอนมากเกินไปสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงนี้ก็พอเพียงต่อ การพักผ่อนของร่างกายแล้วถ้านอนมากไปกว่า น, นี้ก็เป็นการนอนเพื่อกิเลสตัณหาเพื่อให้ติดอยู่กับอาการเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเองเลยคําถามอีกจากจากท่านเดียวค่ะแต่มีแปดคำถามครับอาจารย์ว่าไปเลยให้มันหมดเลยวันนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้เทศยาวอยากเรียนถามเรื่องการสวดมนต์มีเทคนิคอย่างไรเคยท่องไปเฉย เพื่อเป็นสมาธิหรือทําตามความในใจอย่างหรือทําความเข้าใจอย่างทราบซึ้งอย่างไหนถูกครับการสวดมนต์นี้เป็นอุบายของการทําสมาธิก็ต้องให้มีสติจดจ่ออยู่กับการสวดไม่ให้ใจวัดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายส่วนถ้าต้องการความทราบซึ้งจากความหมายของการสวด อันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในขั้นของปัญญาถ้าเราเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์ก็เราก็จะได้ปัญญาขั้นต้นก็ได้สุตตะมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาที่เราจะสามารถเอาไปใช้ในเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาใช้ในกับการเวลาที่เกิดความทุกข์ใจแล้วสามารถดับความทุกข์ใจได้ปัญญานั้นก็จะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญา ข้อสองค่ะบทสวดมนต์ที่นิยมสวดที่เป็นพระสูตรต่างๆเช่นพระธรรมจักมหามมยสูตร <c oughs> เขาเขียนที่หนังสือว่าพระสูตรที่กล่าวมาแล้วนำความผาสุกมาในชีวิตจริงไหมครับที่ผมสวดเพราะเป็นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งดีและคงจะมีคุณอยู่บ้างแต่หลักคือ เป็นการทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พรออรหันบารู้ธรรมอย่างนี้ถูกไหมครับก็บทส่วนโมเนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นปัญญาซึ่งมีหลายแบบหลายเรื่องด้วยกันแต่ถ้าเราส่วนหรือเราอ่านแล้วเราเข้าใจความหมายเราก็จะได้ความรู้ด้วย งันเราก็สามารถใช้รับประโยชน์จากบทสวดมนต์ได้สองแบบคือแบบได้แบบสมาธิกับได้ได้แบบปัญญาแบบสมาธิเราก็สวดไปไม่ไปคิดเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วเราจดจำจำเอาไว้เวลาเกิดความทุกข์เราก็เอาความรู้นี้มาดับความทุกข์ได้ ็เปนปนัญญาข้อต่อมาค่ะทำไมบทพระสูตรต่างๆถึงไม่ค่อยมีการแปลกันครับมีแต่เราไม่รู้กันเองเพระไตรปิฎกเนี่ยแ4 0 0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี้แปลออกมาหมดแล้วเป็นภาษาไทยเราไม่ไปอ่านเองเข้าไปถามไได็อกเตอร์ Google ก็ได้อยากจะทราบอ่ พระสูตรอันไหนเข้าไปหาได้ค้นได้พระไตรปิฎกนี่เขียนเข้าไปเลยพระไตรปิฎกเขาก็จะบอกว่ามีแบ่งเป็นสพระสูตรตันตะไตรปิฎกพระอภิธรรมพระวินัยเนี่ยคำสอนของพระเจ้าเขามาแบ่งมามาจัดรูปแบบแยกเป็น3ส่วนสุตตันตะก็เกี่ยวกับพระสูตรที่พระพุทธเจ้าพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงตามวรรคต่างๆ แล้วพาาระอนุ์กับพระรูปอื่นก็มาช่วยกันจดกันจำแล้วก็มาถ่ายทอดสมัยแรกๆก็ใช้ความจำนี้ถ่ายทอดกันมาเป็นทอดทอดเพราะไม่มีการเขียนหนังสืออ่านออกเขียนได้กันมีก็น้อยคนที่ยาอ่านออกเขียนได้ในสมัยโบราณก็เลยต้องใช้การท่องการท่องก็เป็นอุบายให้ได้สติให้ให้ใหได้สมาธิและให้ปัญญาเนี่ยนี่ พระไตรปิฎกนี้แปลเป็นภาษาหลายภาษาด้วยกันภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสชาวต่างประเทศเดียเ๋ยวนี้ที่เขามาถึงประเทศไทยได้ก็เพราะว่าเขาได้อ่านพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าในในภาษาของเขาแล้วเขานําเอาไปปฏิบัติแล้วเขาก็เกิดปัจจัยประทับใจแต่บ้านเขาไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก การปฏิบัติยังไม่มีเลยต้องบินมาที่บ้านเราอย่างนี้มีชาวต่างประเทศมาอยู่บนเขานี้หลายรูปมีหลายชาติมีฝรั่งเศสมีอังกฤษเออไม่มีอังกฤษมีฝรั่งเศสมีอเมริกันมีเยอรมันแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีชาวโรมาเนียมายังไม่ได้บวชสนใจแล้วก็มีพระชาวแคนาดาด้วย ชาวสิงคโปร์แล้วก็มีหลายชาติที่แวะเวียนมาอยู่เรื่อยๆพวกนี้เขาได้อ่านพระสูตรต่างๆที่ได้แปลเป็นภาษาของเขาแล้วแล้วเขาก็เข้าใจว่าต้องปฏิบัติอย่างไรแต่เขาไม่มีสถานที่ปฏิบัติเหมือนบ้านเราบ้านเรานี้มีมีมีสถานที่ปฏิบัติและมีผู้สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเต็มที่ เนี่ยพวกเราทําบุญใส่บาตรทุกวันให้กับพระกับเนนก็เพื่อส่งเสริมในการปฏิบัติเนี่องแล้วผู้ที่มาสายวัดก็จะได้อนิสงส์งจากการทําบุญทําทานของพวกเราแล้วเขาต่อไปเขาขบวดบวดัได้แล้วต่อไปเขาก็กลับมาสอนพวกเราะก็ช่วยเหลือกันไปญาติโยมก็ช่วยสนับสนุนปัจจัยสี่ให้กับพระให้กับนัก บ, บวชนัก บ, บวชเมื่อปฏิบัติ เห็นทำแล้วก็เอาทำนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ญาติโยมต่อไปค่ะข้อต่อมาค่ะถ้ามีเวลาก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงควรให้เวลากับการสวดมนต์หรือการทําสมาธิมากกว่ากันครับหรือสวดมนต์ตอนเช้ากลางคืนนั่งสมาธิครับคืออย่าไปแยากการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิว่าเป็น2อย่างความจริงมันเป็นอันเดียวกัน คือถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้สติควบคุมให้อยู่กับพุโทโธได้เพราะ่รู้สึกว่ามันสั้นไปมันซ้ำทราบ ก, ก็ใช้การสวดมนต์ไปแทนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องนั่งปนมือไม่ต้องลืมตาเรานั่งอยู่ในท่าคัดสมาัดนั่งหลับตาแล้เรานั่งสมาธิแล้วเ ร, เราก็ท่องสวดมนต์ไปภายในใจสวดไปดังทั้งรู้สึกว่าใจสงบเย็นสบาย แล้วก็หยุดแล้วก็ดูลมหายใจต่อก็ได้หรือพุทโธต่อก็ได้มันเป็นการภาวนาอยู่ในตัวอยู่แล้วเรื่องของการสวดมนต์แต่เราเรามาแยกมันออกมาเองโดยการนั่งจุดทูบเตียนนั่งพับเพียบลืมตาพนมมืออันนี้ความจริงไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้นั่งขัดสมาธินั่งสมาธิไปเลยแล้วก็สวดมนต์ไปสวดบทไหนก็ได้ การสวดก็เพื่อที่จะกล่อมใจดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอใจไม่คิดแล้วใจก็เย็นสบายก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันได้เราก็หยุดสวดก็ได้แล้วก็ดูลมหายใจต่อเพราะการสวดมันจะไม่ทำให้จิตรวมดิ่งเข้าไปการจะทำให้จิตรวมนี่มันต้องเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นลมหายใจเข้า อ, อหรือการบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียว แล้วมันจะดึงใจให้ดิ่งเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่แต่ในเบื้องต้นถ้าเรานั่งแล้วมันใจมันวอกแวกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สวดมนต์ไปก่อนข้อต่อมาค่ะเวลานั่งสมาธิพอมีเหตุการณ์จากการปรุงแต่งกระผมเองก็พิจารณาธรรมในขณะนั่งเช่นมีเหตุการณ์ที่คิดก็มาคิดคิดไปลงที่ธรรมะที่เคยได้ฟังมาเช่น ปฏิจะสุมาประบาทที่เคยเรียนมานานแล้วเป็นต้นมันจะทราบขึ้นมาเองแต่ถ้าออกจากสมาธิมันก็ไม่สามารถทบทวนได้และความรู้ที่พิจารณานี้ทำไมพอมันทำงานเสร็จกลับลืมคือจำไม่ได้ว่าพิจารณาอะไรจำได้แต่ความสุขอันน้อยหลังการพิจารณา มันเหมือนไฟฉายติดติดดับดับพอปล่อยวางเขาก็จะมาหรือจำได้ขึ้นมาแต่จะไม่ทราบซึ้งเท่าในสมาธิผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับก็ไม่ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเหมือนการท่องสูตรคูณถ้าเราไม่ท่องบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ลืมท่องหนเดียวเดี๋ยวทิ้งไว้สักไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็ลืมไป แต่ถ้าเราหมั่นท่องอยู่ทุกวันทุกวันทุกเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ยังท่องได้พิจารณาได้อยู่ก็พิจารณาไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะติดอยู่กับใจแล้วมันก็จะไม่ลืมคำถามที่หกค่ะได้ยินได้ฟังมาเลยคิดต่อว่าการที่เรามาเกิดเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยพะเกิดความอยากคือสังขารเลยมามีร่างกาย แต่การทำสมาธิหรือบริกรรมจะมาตัดตรงสังขารไม่ให้เกิดการปรุงแต่งพบชาติจึงไม่เกิดแบบนี้ถูกไหมครับสมาธิยังตัดไม่ได้อย่างทาวรเพียงแต่หยุดมันไว้ชั่วคราวเท่านั้นพออยากสมาธิมาสังขารตันหามันก็จะกลับมาทำงานต่อถ้าอยากจะทำลายสังขารความคิดปรุงแต่งที่คิดไปในทางตันหาก็ต้องใช้ปัญญา พิจนาตายรักให้เห็นว่าทุกอย่างที่ตัณหาต้องการนั้นเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้ทีนี้ตอนนี้มันความหลงมันหลอกให้เราเห็นว่าเป็นสุขเห็นเงินก็ว่าเป็นสุขอยากจะได้เงินได้ทองกันแต่ไม่เห็นว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดพอมีเงินก็ต้องติดเงินใช้เงินพอเงินหมดก็ต้องหาเงินใหม่มันก็เลยวนเวียนอยู่เหมือนคนติดยาเสพติด แต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็อยากไปใช้เงินมันเสียอยากจะซื้ออยากอะไรไปอยากจะไปเที่ยวอยากจะทําอะไรก็ไม่ไปใช้มันนอกจากเอามาใช้เป็นปัจจัยสี่อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความอยากมันเป็นความจําเป็นซึ่งก็ไม่ต้องมีมากหรือถ้าเราไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องการหาเงินใช้เงินก็ไปบวชเลยไปอยู่วัดกินตามมีตามเกิดไป ข้อที่เจ็ดค่ะผมไม่เข้าใจในเรื่องขั้นตอนของสังขารมาวิญญาณครับว่ามีที่ไปมาอย่างไรแล้วจะตัดคือการมารู้ลมหรือเอาสติกำกับได้อย่างไรขอพระอาจารย์อธิบายด้วยครับคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่มันเป็นการแสดงแผนที่การเดินทางของกิเลสตัณหาท่านั้นเอง ซึ่งเวลาในการปฏิบัติจริงๆเราไม่มาไล่จับมันตามปฏิจจส ม, มุปบาทปฏิจจส ม, มุปบาทท่านแสดงว่าอาวิชชาเป็นผู้ก่อเหตุให้คิดปรุงแต่งสังขารเมื่อปรุงแต่งมันก็ออกไปทางวิญญาณหาวิญญาณหาก็คือทวารทั้งห้าที่วิญญาณไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมาแล้วก็ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ อย่างขณะที่เรานั่งสมาธินี่เราจิตสงบเราหยุดอวิชชาได้หยุดความคิดปรุงแต่งได้เราก็นั่งเฉยๆได้แต่พอเราออกจากสมาธิหมดกําลังอวิชชาปรุงแต่งมันก็สั่งให้เราลุกขึ้นมาเพื่อจะได้ไปดูไปไปฟังไปรับรู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องทวารทั้งห้านี้พอออกไปรับรู้ทวารทั้งห้าก็จะเกิดผัสสะการรับรู้เกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดเวทนาขึ้นมา มีสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขบ้างไม่ทุกบ้างพอเกิดสุขทุกไม่สุขไม่ทุกก็เกิดตัณหาตามมาถ้าเป็นสุขก็ตัณหาอยากได้ถ้าเป็นทุกก็เป็นตัณหาอยากให้มันหายพอเกิดตัณหามันก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุขก็ต้องไปทำตามตัณหาความอยากก็ไปก่อพบก่อชาติอยากจะได้แฟนก็ไปหาแฟน พอได้แฟนก็เกอบอก็ต้องอยู่ด้วยกันพอแฟนตายก็ต้องหาแฟนใหม่พอร่างกายตายไปตัณหายังมีอยู่ก็ไปเกิดใหม่หาร่างกายอันใหม่นี่มันเป็นทางเดินของอวิชากิเลสตัณหามันออกมาจากใจเหล่านี้เวลาเรานั่งสมาธินี่เราก็เหมือนกับดึงกิเลสเข้าไปข้างในหยุดมันถ้าเราสามารถหยุดอยู่ในสมาธิได้ไปตลอดมันก็ไม่ต้อง มากลับมาเกิดแก่เจ็บตายแต่สมาธินี่มันไม่ได้ไงพระพุทธเจ้าเคยได้สมาธิคิดว่าคิดว่าหมดปัญหาแล้วแต่มันไม่หมดเพราะเวลาออกจากสมาธิมากิเลสที่ถูกกำลังของสมาธินี่กดไว้มันก็กลับมาลากใจให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาสิ่งต่างๆอีกพระเจ้าจึงต้องใช้ไตลักษ์มาตัดมันด้วยปัญญาให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุข ถ้าเหมือนกับจะไปดื่มน้ําดื่มดื่มเครื่องดื่มก็ให้บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มมันเป็นยาพิษนถ้าเราเห็นป้ายเขาเขียนว่าอันตรายยาพิษคุณจะไปกล้ากินไหมไม่กล้าเนี่ยนี่คุณไม่เห็นป้ายคุณก็เลยคิดว่าเป็นเครื่องดื่มอกระทิงแดงหรืออะไรก็ตามเห็นก็เอาเลยเนี่ยเราต้องเอาติดไอ้ป้ายที่บอกว่าเป็นยาพิษไว้กับทุกสิ่งทุกอย่าง พรทุกสิ่งทุกอย่างมันสุกเดี๋ยวเดียวสุกตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็เปลี่ยนไปจางไปหายไปพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมืออคนถึงต้องอยากกันไงใช่ไหมถ้ามันเป็นของแท้ของจริงมันก็ไม่ต้องอยากกันเลยมันก็อยู่กันไปจนวันตายแต่ส่วนใหญ่มันถ้าอยู่จนวันตายก็อยู่แบบหวานอมขมกลือเนี่แหละมันไม่ได้อยู่แบบหวานไปตลอดเพราะทุกอย่างมันก็ เปลี่ยนกปเกิดดับเกิดดับไปนี่เราไม่เห็นตรงนี้พอเห็นอะไรก็คิดว่าดีอยากจะได้ขึ้นมามันก็เลยติดกับอยู่กับการเกิดแก่เทียตายนี้แต่ถ้าเห็นว่าไม่มีอะไรดีมันก็หยุดอยากหยุดอยากมันก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่มีมันจิตยย ก, ก็ไม่มีความอยากคิดมันก็สงบไม่มีความคิดปรุงแต่ง ก็จบเป็นที่ผ่านไปถ้าปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปทางธรรมที่ไม่ได้ทําให้เกิดตัณหาอย่างพระเจ้าหลังจากตัดสรู้แล้วก็ยังมีสังขารความคิดปรุงแ ต, งแต่งแต่ปรุงแต่งไปทางธรรมเนี่ยเอามาเอาธรรมมามาสอนลวกเหล่านี้ก็เป็นความคิดปรุงแต่งแต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่ทําให้หยุดตัณหาไม่ใช่เป็นความคิดปรุงแต่งที่จะทําให้เกิดตัณหาขึ้นมาหมดแล้วและเออ